ท่านผูงทีเคารพคะรายการสัสนิษฐานาดิฉันสันนิษฐานาพงศ์จะอ่านพุทธประวัติจากพระโอษร์ให้ท่านฟังทุกวันนะคะหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วเราก็ยังมีเรื่องที่จะมาอ่านให้ท่านฟังต่ออันนี้จะอยู่ในภาค6ของหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษร์ที่คณะของท่านพุทธทาสได้รวบรวมเอาไว้เป็นเรื่องของการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าเอ า, เอาไว้เองนะคะโดยความตั้งใจที่คณะ ทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้นำเอาเรื่องของชาติก่อนหรือว่าบุรพชาติของพระพุทธองค์มารวบรวมไว้ก็ได้แจ้งเจตนาว่ามุ่งหมายที่จะให้เห็นพุทธจริยาที่เรียกว่าการสร้างบารมีหรือสั่งสมความดีของพระพุทธองค์เพื่อถือเอาเป็นเครื่องดําเนินตามไม่ได้มุ่ง เป็นการเล่านิยายอันนี้เป็นาการให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนที่จะนำเอามาอ่านให้ฟังเดี๋ยวฉันก็เลือกมาบางเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็น่าจะทราบเอาไว้นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของทิฏฐานุกติแห่งความดีที่ทรงสั่งสมไว้แต่พบก่อนๆมีหลายเรื่องในรายละเอียดจะค่อยๆทยอยอ่านให้ฟังในวันแรกนี้ เป็นการที่พระพุทธองค์นะคะได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวันใกล้กับกรุงสาวัตถีตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้บากบั่นในกุศลถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติมารดาบิดา การปฏิบัติสมณะพราหมณ์การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอธิกุศลธรรมอย่างอื่นๆเพราะได้กระทําได้สั่งสมได้พอกพูนได้มั่วสมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้นําสุขมาสู่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภายัยคือความสะดุง้งหวาดเสียว จัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมได้อวยทานพร้อมทั้งบริวารได้เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาตวางเสียซึ่งศาสตราและอาจยามีความละอายเอนดูกรุณาเกื้อกูลแกสัตว์มีชีวิตทั้งปวงได้เป็นผู้ให้ทานด้วยของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่มอันมีรสประนีต ได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการสงเคราะห์ทั้งสี่คือการให้สิ่งของวาจาที่ไพเราะการประพฤติประโยชน์ท่านและความวางตนเสมอกันได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัดด้วยธรรมแนะนำชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์สุขมาสู่ชนทั้งหลายตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรมเพราะได้กระทำได้สั่งสมพอกภูลมั่วสมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ นี่ก็คือบารมีเพียงบางส่วนที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้ในชาติก่อนๆที่จะมาเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะท่านฟังที่ครบค่ะท่านกําลังฟังรายการสรนสนีสนทนาอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ยังมีหนังสือที่จะแจกให้ท่านผู้ฟังแล้วก็อยากจะประกาศไปทุกวันทุกวันเพราะเราอยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้เข้าถึงคําของพระพุทธเจ้าดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ ระหว่างที่ยังมีประชชนชีพ น, นะคะว่าเมื่อพยากรไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีคนที่สนใจถ้อยคำของคนอื่นดังนั้นเนี่ยการที่จะให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่มันต้องดำรงอยู่ด้วยความถูกต้องเพราะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นความจรงิงนะคะถ้าเป็นคำสอนที่คลาดเคลื่อนไปก็อาจจะทำให้มีปรากฏว่า ไม่เป็นความจริงเหมือนอย่างที่ได้พูดไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสสอนในสิ่งที่เป็นความจริงจึงควรที่จะหันเข้ามาศึกษากันและเราก็เปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าถึงด้วยการที่ในแต่ละสัปดาห์นั้นเราแจกให้ฟรีนะคะถึง25เล่มวันละ5เล่มอะคะ่ะหนังสือชื่อพุทธวัตรฉบับก้าวย่าอย่างพุทธนะนะคะตอนนี้ ก็รวบรวมทรรมวินัยจากพุทธโอดไว้43เรื่องหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านจะติดต่อเข้ามาได้022690060และ022690006นะคะติดตามรับฟังกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ